ผุ้ชมผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นโทเพื่อใเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและรรท่านสาวุู้ชมผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้พูดในหมวดที่สี่ในหัวข้อเรื่องอุปาทานสี่คือหนึ่งกามุปาทานถือมั่นในกาม 2. ทิฏฐุปาทานถือมั่นทิฏฐิ 3. สศีลพตุปาทานถือมั่นในศีพลพรษสอัตวาทุปาทานถือมั่นในวาทะว่ามีตัวมีตนประการแรกขอให้นักเกรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับ คำว่าอุปาทานเสียก่อนคำว่าอุปาทานในที่นี้ได้แก่การเข้าไปยึดถือนะคือการเข้าไปยึดถือคือถือมั่นยึดมั่นถือรั้นหรือว่ายึดถือฝ่ายข้างเลวอย่างเดียวนะในฝ่ายข้างเลวเรียกว่าสิ่งใดที่ตนคิดเห็นอย่างไรเลยจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องถูกนะจะต้องถูกมันจะต้องไม่ผิดฮะ หรือว่าคนหนุ่มคนสาวชอบกันแล้วก็คนนี้จะต้องเป็นของฉันนะจะไปเป็นแฟนคนอื่นไม่ได้เนี่ยหรือว่าถ้าไม่ได้เขาเราจะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการยึดมั่นถือมั่นเนยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นในความยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานทั้งสี่นี้เขาจึงแบ่งออกเป็นสี่ประการคือหนึ่งกามุปาทานถือมั่นถือมั่นในทางที่ผิดธรรมได้แก่การถือมั่นในวัตถุกรม มีรูปเสียงกลิ่นรสโหดทัพพะอันตนได้แล้วแล้วก็ยังหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกรรมนั้นว่านั่นเป็นของเราจนเป็นเหตุให้เกิดอิจฉาหรือความริษยาเกิดความหึงหวงผู้อื่นอันเป็นเหตุให้ถือตัวตนนะเป็นเหตุให้ถือตัวถือตนและเป็นเหตุให้แสวงหาในทางที่ผิด ผู้ตกอยู่ในการมุปาทานย่อมไม่มีเวลาได้รับความสุขไม่มีเวลาได้รับความเจริญทำไมจึงเป็นเช่นนั้นขอให้ท่านลองนึกดูถือว่าคนที่ติดอยู่ในอาวัตถุกรรมนะคนที่ติดอยู่ในวัตถุกรรมคือรูปเสียงกลิ่นรโผลตพะด้วยอำนาจการ ม, มาตันหาหมกมุ่นอยู่ว่านั่นของเรานี่ของเราแน่นอนที่สุด ก็จะทำให้เกิดความหึงหวงอุทาหรณ์ในเรื่องนี้ก็ปพิงเห็นสามีภรรยาที่ยังมีเป็นปูุ่ชนอยู่มีความถือมั่นในวัตถุกรรมเลิศเพลินนเริ่หงหลงว่าเป็นเราเป็นเขาจนเป็นเหตุให้เกิดความหงห่วงเกิดความแย่งชิงกันเกิดการด่ากันเกิดการฆ่ากันอ่านี่มันก็เรื่องของกามุปาทานนะกามุปาทานแต่ถ้าหากว่าเราลองไปพิจารณาดูในอีกลักษณะหนึ่งนะ ในร่างกายหรือตัวของเราเนี่ยเวลาเขาตายไปแล้วเนี่ยตำรงพยาบาลเขาไปผ่าตัดเอาไปศึกษาสอนนักเรียนแพทย์ต่างๆดูแล้วร่างกายคนเรามันก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเวลาตายไปแล้วเขาไปชำละเนื้อออกเอาเอาวัยว ะ, วะตับไตไส้พุงออกมาดูแล้วไม่มีอะไรที่น่ารักน่าปรารถนา ในตอนนี้ถ้าหากว่าจะให้สามีภรรยาไปบอกว่าเอาไหมให้นอนกับคนนี้ทุกคนก็บอกไม่เอาไม่มีใครเอาไม่มีใครพอใจเพราะอะไรก็เพราะมันตายไปแล้วไม่มีค่าไม่มีประโยชน์แล้วก็เหม็นสาบเหม็นสางอีกด้วยดูแต่เรื่องนางนางเมียหญิงคนหนึ่ง หญิงคนนี้แกมีรูปร่างสะสวยงดงามมากแกมีรูปร่างสะสวยงดงามมากแกเป็นเป็นน้องสาวของอของหมอชีวโกมารพัฒน์ชีวโกมารพัฒน์ปรากฏว่าความสวยงามขอ ง, งานางนั้นเป็นที่พออกพอใจของคนทั่วไปมากไม่เฉพาะแต่คนทั่วไปอย่างนั้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เนนไปเห็นเขาก็ติดอกติดใจนะ ติดอกติดใจก็ปรากฏว่าพระพิสูรรูปหนึ่งไปรับบาทซึ่งนางให้ใส่บาต ท, ทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ไปรับก็รู้สึกว่ า, าถ้าวันไหนไม่ได้ไปรับก็รู้สึกว่ า, เ, าเกิดความเดือดร้อนใจแล้วก็ปรากฏว่าหญิงคนนี้ไม่ใช่ว่าพิสูร นี่จะพอใจจะเสียงรูปเดียวเั้านั้นแต่ว่าหลา ย, ลายองค์นะหลายๆองค์แต่พี่โซงนี้ถ้าหากว่าถ้าไม่ได้เห็นหน้าหญิงคนนี้รู้สึกว่าไม่สบายใจกินข้าวปลาไม่ได้นะกินข้าวปลาไม่ได้อ่าปรากฏวันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าอ่าหญิงอ่าสิริมานะนางสิริมาคนนี้แก่ตายนะแก่ตายรู้สึกว่าเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะเสียอกเสียใจมาก ถุงกับข้าวปลาที่บินมาได้ในบาดนั้นไม่กินเลยนะไม่ยอมกินปลอยให้ข้าวในบาดนั้นขึ้นราแดงเลยนะขึ้นราแดงนอนคลุมโปงเลยพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าพระภิกษุองค์นี้เนี่ยเสียอกเสียใจมากที่นางศิรีมาต้องอ่ถึงแก่ความตายก็เลยประกาศเลยว่าเอา้าเดี๋ยวจะไปโปรงศพนะพูดง่ายว่าไปโปลงศพไปเยี่ยมไปเยี่ยมศพนางศิริมากัน นะก็ประกาศบรรดาพวกพิสุไปกันเต็มเลยเขาก็มาปลุกพระภิสุรูปนั้นที่กำลังนอนทุบโตงอยู่พอรู้ว่าจะไปเยี่ยมนางสีมาแล้วก็รีบลุกฟุดขึ้นทันทีเลยเอาไปปรากฏว่าพอไปถึงแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พิสุยืนล้อมนะยืนล้อมสรีระร่างอันปราศจากวิญญาณของนางศรีมาปรากฏว่าทุกคนดูแล้วก็พิจารณาแล้วก็ เห็นเป็นอันเดียวกันก็คือว่าไม่น่ารักไม่น่าชอบใจแพระพุทธองค์ก็ถามเลยว่าสรีระอันนี้เมื่อตอนมีชีวิตเป็นอยู่นั้นมีค่ามีราคามากนะเรียกว่าเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนกหาปันะแต่พูดเป็นปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนบาทว่างั้นเถอะแต่ี้ตอนเนี้ยเราจะจะขายให้อ่า หนึ่งกหาปณะใครจะเอาไหมวิสูรุกไหนจะเอาบ้างทั้งหมดตอบเหมือนกันหมดว่าไม่ต้องการเอาพันกหาปณะใครจะเอาไหมทุกคนก็บอกไม่เอาเอาร้อยกหาปณะหรือว่าร้อยบาทเนี่ยใครจะเอาไหมไม่เอานะล้วถ้าบอกให้บเปล่าเอาไหมก็ไม่เอาอีกเลยไม่เอาเลยวิสูรองค์ที่ที่พอใจในนางสิริมาองค์นั้นก็ไม่เอาเหมือนกันอถ า, ามบอกทําไมไม่เอาก็บอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไร ไม่มีสาระอะไรเลยมันคนเราตายแล้วไม่มีค่าเหมือนกับท่อนไม้พระพุทธองค์ตรัสภาษ า, าทุดีละถูกแล้วพิสุทั้งหลายสริระคือร่างกายของเราเนี่ยมันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนแน่พอตายแล้วก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นการที่เราจะมาลหลงไหลยึดมั่นถือมั่นอในในตัวเราตัวเขาหรือในานางเนี่ยไม่มีประโยชน์ นะไม่มีประโยชน์มีแต่ความทุกข์มีแต่โทษนะมีแต่ความเดือดร้อนนะมีแต่ความเดือดร้อนอย่างเดียวก็ปรากฏว่าพวกผู้สูงเหล่านั้นก็คลาย ค, ายความกำหนัดในวัตถุ ก, กรรมได้นะคลายความกำหนัดในวัตถุ ก, กรรมไดนะ้นี่เป็นเรื่องของคนที่ยึดมั่นถือมั่นในการมนะฉะนั้นนี่แหละเราก็จะต้องพิจารณาอให้เห็นว่าไอ้รูปที่เราพอใจมันก็เสื่อมสิ้นไปไอ้เสียงที่ว่าเพราะมันก็ไม่เพราะได้มานะสังเกตดูสิ อ่านักร้องที่ว่าเสียงดีๆแต่พราะนานนะเข้าก็ไปแล้วเสียงก็แปลงไปแล้วเสียงก็แหบไปแล้วนะไม่มีใครเราที่จะร้องอยู่ยงคงกระพันนะพอเห็นมีจะร้องนานๆอยู่ไม่กี่คนนะเอไม่กี่คนอย่างกับสมยศทศนันพันนี่ก็ร้องจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อายุเจ็ดสิบก็ยังร้องนะหรืออย่างเช่นอเอื้อสุนทนสนรสนานนี่นี่ก็จนอายุตั้งหกสิบเจ็ดสิบนะนี่ก็ยังร้องอะเรียกว่า อันนี้ร้องอยู่นานหน่อยแสดงว่าเสียงดีมากนะเสียงดีมากนอกนั้นก็รู้สึกว่าอยู่กันไม่นานนะก็ต้องเลิกลากันไปกลิ่นก็เหมือนกันใอ้กลิ่นบางอย่างมันหอมแต่พออยู่นานๆเข้ามันก็เจือจางไปมันก็เหม็นมันก็บูดมันก็เน่านี่ไอ้จากของหอมแล้วกลายเป็นของบูดเน่ามันก็ไม่เพียงแท้แน่นอนนะรถก็เหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเป็นรถที่เราว่าอร่อยแต่เพระนานในข้าวมันก็กร่อยมันก็ขมไปนะมันก็ เจือจางไปฝุ่นปาดไปเนี่มันเป็นอย่างนั้นในเรื่องการสัมผัสเหมือนกันในเราสัมผัสอะไรที่ว่าเราเคยเออนี่มันอ่อนนิ่มดีแต่พอนานๆเราจะเกิดเบื่อนะเกิดเบื่อรู้สึกไปอย่างอื่นรู้สึกมันมีดีกว่านี้อีกเนะี่และของที่เราเคยสัมผัสอยู่ทุกวันทุกวันโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอกามแล้วก็เราเคยอยู่กับคนหนุ่มคนสาวก็รู้สึกว่ามันนิ่มนวลดีพอนานเข้าก็ยังว่าเลย ของอะไรมันนานๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปคนเราก็แก่ไปมันเหี่ยวย่นไปมันก็ขร ก, กาขระมันก็ทักษะไปแล้วนะคราที่ไหนมันก็ทักษะเป็นตะเ็ะเป็นตะครุตะขะไปหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่จีรังยั่งยืนไม่ควรที่เราจะต้องมายึดมั่นถือมั่นวันนั่นเป็นของเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของเขาโน่นเป็นของเรานะจนเป็นเหตุให้เกิ ด, ก, ดการทะเลาะวิวาถึงห่วงกันฆ่ากันออย่างนี้ มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเสื่อมเสียอย่างเดียวมาในข้อที่สองก็คือทิศถุก ป, ปาทานยึดมั่นถือมั่นในทิศทิ์นะยึดมั่นถือมั่นในทิศิคือหมายความว่าไงคือถือมั่นความเห็นจากเรื่องอันเป็นจริงซึ่งตนได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากตำราหรือประเพณีเก่าๆด้วยอำนาจหัวดือ้อไม่ยอมเชือ่อถือถ้อยคำของผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ทะละ วิวาดแข่งแย่งกันและเป็นเหตุให้เราต้องอาพัดพลากจากมิตรหรือมีการที่เรียกว่าต้องทะเลาะเบาแววงกับมิตรจะคบค้าสมาคมกับท่านผู้ใดก็มักจะเป็นไปไม่ยืดท ำ, ทำให้เขาเห็นทาให้เขาเห็นทิฏฐิผิดอของตนเสมอแม้ใครจะกล่าวว่าสั่งสอนจะกล่าวว่าสั่งสอนในทางที่ดีที่ชอบ ซึ่งเป็นผลนำมาซึ่งความจเจริญถึงตนแต่ตนก็หาเชื่อถือในถ้อยคำเหล่านั้นไม่ด้วยอำนาจด้วยความทิฏฐิของตนเองนั่นเองอันนี้แหละถือว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสังคมเราทุกวันนี้ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องอุปาทานไม่มีมากเหลือเกินนะเกี่ยวกับเรื่องการมุปาทานก็นดีทิฏฐปาทานก็นดีนะมีมากเหลือเกินในะ้คนหัวดื้อก็คือว่า ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนี่บางครั้งตัวเองก็ไม่ได้รู้จริงอ่านจากตำรานี่บางครั้งก็ได้ฟังเข้ามาแต่เอาเหตุอันนั้นแหละมายึดมั่นถือมั่นว่าตนได้รู้ดีได้รู้จริงเห็นจริงแม้ใครจะบอกกล่าวด้วยดีก็ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมปฏิบัติตามไม่ยอมปฏิบัติตามจนเป็นเหตุให้เกิดการเถียงกันทะเลาะกันอันนี้เราจะเห็นว่าพวก เจ้าลัทธิต่างๆในครั้งก่อนถือมั่นความเห็นของตนจนเกิดโต้วาทะกันกับสมเด็จพระบรมศาสดาในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้บางจําพวกก็มีความเห็นตามพระพุทธน้ำรัตยอมตนลงเป็นศิษย์บางพวกไม่ยอมตนก็มีการพ่ายแพ้หรือว่าเสียอมเสือชื่อเสียงไปมีการโหร้องกันไปอย่างนี้ก็มีแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีเราที่เห็นว่าบรรดาพวก เจ้าลัทธิต่างๆก็อวดอ้างว่าตัวเองนั้นได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปโจมตีว่าอันโน้นไม่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนอตัวเองปฏิบัติถูกต้องคนโน้นปฏิบัติไม่ถูกโน้นปฏิบัติย่อหย่อนอเป็นการยกตนขมท่านอวดอ้างตัวเองว่าดีว่าถูกว่าควรเอาความคิดเห็นของตนว่าถูกว่าควรของคนอื่นผิดหมดอันนี้แหละ จึงทำให้เกิดการแตกแยกเกิดการแตกแยกเรื่องลัทธิต่างๆจึงทำให้มีหลายนิกายาทำให้เกิดการแบ่งพักแบ่งพวกกันขึ้นนี่ก็เรื่องของอาทิตถุปาทานคือความยึดมั่นในความาเห็นของตนว่าถูกเสมอไปมาในข้อที่สามสีลพัตุปาทานถือมั่นในศีลพรษคือ อาจถือธรรมเนียมที่ตนเคยประพฤติมาหรือได้เคยนับถือมาจนชินด้วยอำนาจความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าขลังอาจอำนวยผลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ปล่าประโยชน์เป็นเหตุตัดรอนความเจริญของตนและบุคคลอื่นที่จะดำเนินไปสู่ปฏิปทาอันถูกปราชจากปัญญาไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงข้อนี้หมายเอาการ ถือมั่นในศีลในศีลชดคือที่ที่ถือว่าเป็นระเบียบประเพณีของตนนะเป็นประเพณีของตนตัวอย่างเพิงเห็นคนบางจำพวกเข้าไปในวิหารมืดๆแล้วก็เอามีดกรดีดกายากันและกันให้ถึงแก่ความตายถือว่าใครตายในเวลานั้นต้องไปเกิดในสวรรค์หรือถือว่ารับประทานอาหาร ถ่อุจาราปัสวะเป็นต้นและถือว่าการรับประทานอาหารไทยอุจาราปัสวะเป็นต้นต้องหันหน้าไปให้ถูกทิศใครทําได้ดังนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลลาบยศจะไหลมาเทมาดังนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ถือว่ามันผิดทางนั้นนะผิดทางนั้นเลยไม่ถูกนะไม่ถูกต้องบางคนก็อตื่นขึ้นเช้ามาก็เอาแล้วอถือขันล้างหน้าก็ห้องหันหน้าไปทางทิศนั้นทิศนี้เนี่ย เนี่ยถือว่าอันนี้มันก็ไม่ถูกไม่ควรยังมีอีกหลายหลายอย่างที่ถือเป็นขนรรมเนียมอะไรกันเข้าตำราหรือเกี่ยวกับเรื่องเถรสองบาทนะพวกเถนสองบาทคือว่าทำอะไรก็ทำ ต, ำตามๆเขาไปโดยไม่มีเหตุไม่มีผลนะพวกถือศินทศอย่างนี้ก็สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนนะสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้เกิดแก่ตน แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถือว่าตนนั้นทำปราศจากปัญญารู้เท่าไม่ถึงการไม่ไม่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงฉะนั้นอันนี้แหละอยากจะให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาได้รู้ได้เข้าใจตามความเป็นจริงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหมอดูหรือเรื่องดวงดาวต่างๆผีเจ้าเข้าจงต่างๆ ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาโดยท่องแท้แน่นอนที่สุดเราก็จะไม่หลงไหลเราก็จะไม่ติดในสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรานั้นดํารงชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคนที่ติดหรือว่าเชื่อเกี่ยวกับเรื่องดวงเรื่องพวกสารพระพรมเจ้าที่แน่นอนที่สุด อผู้นี้จะทําอะไรก็คอยแต่ความกังวลคอยเกิดความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะปลูกบ้านสักหลังนึ่งก็ต้องคอยว่าอาเมื่อไรเลิกจะดีอจะแต่งงานสักครั้งก็ต้องคอยเลิกอย่างเนี้ยผลที่สุดเงินทองที่เตรียมไว้จะแต่งก็เลยหมดไปะหมดไปอาจจะใช้หมดไปก็ได้อาจจะถูกโจรผู้ร้ายจี้ไปก็ได้หรืออาจจะเกิดการทะเลาะเบาแวงแล้วก็เปลี่ยนใจกันแยกกันไปก็ได้ อันนี้แหละเนื่องมาจากว่าเราไม่เข้าใจหลักทาตามความเป็นจริงในพระพุทธศาสนาฉะนั้นขอให้เราทุกคนมามีปัญญาว่าดวงดาวมันอยู่บนฟ้าจะมาทำอะไรเราได้นะความพร้อมนั้นอยู่ที่ตัวเราเราพร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเป็นเลิกดียามดีครู่ดีขณะดีแต่ถ้าเราไม่พร้อม เมื่อนั้นมันก็ไม่ใช่เลิกดีไม่ใช่ยามดีไม่ใช่ครู่ดีนะฉะนั้นเอาความพร้อมเป็นใหญ่นะนี่เรียกว่ า, เ, าเราทำด้วยสติปัญญามาในข้อที่สี่อัตวาทุ ป, ปาทานความถือตัวถือตนว่าเป็นเราเป็นเขาด้วยอำนาจมานะจนถึงกับเป็นเหตุถือพวกแตกสามกีธรรมในระหว่าง และขาดจากการเกื้อกูลแก่กันและกันเป็นเหตุให้เป็นคนคับแคบใจคอไม่กว้างขวางถือมั่นด้วยอำนาจอัตวาทุปาธานนี้แม้จะไปทิศใด ย, ย่อมเป็นผู้มากไปด้วยเวรภัยหาความสุขสำราญนี้ได้ถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าเราถือยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาด้วยอำนาจมานะ ด้วยอำนาจมานะ์จนเป็นเหตุถือพวกในเรื่องนี้ปรากฏชัดแก่พวกมนุษย์เราทุกวันนี้คือว่าเราดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาสำคัญว่าตัวเองดีกว่าเขาสำคัญว่าตัวเองเลิศกว่าเขามีความรู้กว่าเขาสูงกว่าเขาเด่นกว่าเขาเหนือเขาตัวนี้แหละเรียกว่าตัวอัตตวาทุปาทานก็คือก็คือยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนนะอ่า นี่ตัวนี้สําคัญทีถ้าเราพูดแยกแยะให้ละเอียดลงไปอีกก็คือว่าว่ายึดมั่นว่ามีเรามีเขาขึ้นมาเมื่อเมื่อนั้นมันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนนะแล้วก็ทําให้เป็นเหตุให้แบ่งทักแบ่งพวกกันอย่างนี้ไม่มีความสุขไม่มีความเจริญนะนี่เป็นเรื่องของอุปาทานทั้งสี่ก็พอเป็นเพียงแนวทางทีนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าอุปาทาน หมายความว่าอย่างไรถ้ากล่าวเพียงอัตวาทุปาทานพระยะบุคคลจะพวกไหนจึงจะละได้อันนี้เราก็แก้ว่าหมายความว่าความยึดความยึดมั่นถือมั่นในข้างเลวได้แก่ถือรั้น อ, อวดดีถือดีเมื่อกล่าวถึงอัตวาทุปาทานแล้วโศดาบันละได้อย่างเด็ดขาดก็คือในข้อสักกายะทิฏฐิความ ละในข้อความยึดมั่นความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียนะละได้หรือถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าในอุปท า, านทั้งสี่นั้นคอยคัดค้านความเห็นของผู้อื่น<ม>เช่นนี้จะเรียกว่าบุคคลนั้นอยู่ในอำนาจของอุปท า, านข้อไหนได้หรือไม่ก็แก้ได้เลยว่าในอุปท า, านทั้งสี่นั้นคอยคัดค้านความคิดเห็นผู้อื่น ก็มีโทษ ต, ต่างกันอย่างนี้คือการถือมั่นในกามทำให้ใจหมกมุ่นจนเป็นเหตุให้เกิดความอิจฉานิสยาหรือเกิดความหึงหวงกันอันไม่เป็นทางแห่งความผาสุก ข, ของใจถือมั่นในทิฏฐิทำให้เกิดเป็นคนหัวดือ้อไม่ยอมฟังเสียงของผู้อื่นเอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงเกิดความทะเลาะวิวาสแตกความสามัคคีกัน อถือมั่นในศีลพลดก็เป็นเหตุทําให้เกิดความลุ่มหลงงมงายไร้สาระประโยชน์อถือมั่นในวาทะว่าตนอทําทให้เป็นคนมีมานะกล้าถือเราถือเขาเอาถือมูถือพวกเป็นคนแข็งกระด้างาย่อมเป็นไปเพื่อความไม่สงบเรียบร้อยอันเป็นเหตุนํามาซึ่งความหายนะบุคคลที่มีมานะกล้าประจำสันดาน เรียกว่าอยู่ในอำนาจของอัตวาทุปาทานได้คอยคัดค้านความเห็นของผู้อื่นเรียกว่าอยู่ในอำนาจของทิฏฐุปาทานได้หรือจะมีคำถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าอุปาทานทั้งสี่นั้นมรติมีอำนาจกำจัดอุปาทานอย่างไหนได้บ้างอันนี้ก็แก้เลยว่าทราบว่าทราบได้พระโสดาบติมรติละอุปาทานสามข้างปลาย สามข้างปลายพระโสดาโซพระโสดาปฏิมรละอุปาทานได้ละอุปาทา น, าานสามข้างปลายคือทิฏฐุปาทานศีะระพตุปาทานอัตวาทุปาทานได้ขาดาพระสกธาคามีบรรเทากามุปาทานให้เบาบางลงพระอนาคามีละกามุปาทาน ซึ่งเป็นส่วนกา ม, มาพบได้พระอรหันตละได้ทั้งสี่อุปาทานนะหรือถ้าจะถามว่าอุปาทานทั้งสี่เกิดมีเกิดมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยและอุปาทานนั้นพระองค์ทรงสแสดงเพื่ออะไรอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าเกิดมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยตัณหาเป็นปัจจัยที่ให้เกิดอุปาทาน และอุปทานนั้นพระองค์ทรงแสดงเพื่อไม่ให้ถือมั่นไม่ทรงแสดงเพื่อจะให้คัวพันธุอนอนน์อยู่ด้วยอันใดอันหนึ่งนอยู่ด้วยอันใดอันหนึ่งนี่เป็นเรื่องของอุปท า, านทั้งสี่เมื่อพูดถึงเรื่องอุปท า, านทั้งสี่ก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอจะจับเอาใจความนเอาใจความ อพอจะเข้าใจได้ก็จะพูดในหัวข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องโอคะสีติดต่อกันเลยนะเพราะว่ามีความใกล้เคียงกันนะคาว่าคําว่าโอคะหมายเอาถังว่าห่วงน้ํานะห่วงน้ําหรือแต่ในที่นี้เป็นชื่อแห่งกิเลสอ่าเพราะเป็นหุดกระแสน้ําที่ท่วงจิตใจของสัตว์นะท่วงจิตใจของสัตว์อ่าท่านั้นารย์จึงบอกว่า คาว่าโอกคเนี่ยทำให้สัตว์ติดอยู่เหมือนกับห่วงมหาสมุทรอันไหลาพาเอาสัตว์และวัตถุต่างๆไปนะต่างๆไปแล้วก็ติดอยู่ในห่วงมหาสมุทรนั้นท่านจำแนกว้เป็นสี่ประการก็คือหนึ่งกามโมคะอกน้าคือกามห่วงน้าคือกามได้แก่กระแสน้ำที่ท่วมทับใจสัตว์คือคือกา กามโอคะในที่นี้ท่านหมายเอากิเลสกามและวัตถุ ก, กามทั้งสองอย่างนั้นท่านลองนึกดูสิว่าเป็นจริงไหมนะในวัดไอกิเลสกามก็คือกิเลสเป็นเหตุใคร่ได้แก่เจตสิกอันชักจิตใจให้เกิดความรักอความโกรธความหลงตัวราคะโทสะโมหะหรือว่าตัวอารติความไม่ยินดี ตัวปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งใจอสังตุสติความไม่สันโดษเหล่านี้จะถือว่าเป็นกิเลสกามกิเลสกามนี้ได้ชื่ออย่างหนึ่งว่าเป็นมารเพราะเป็นเครื่องล้างผลาญคุณงามความดีของคนเราให้หมดไปใครมีราคะโทสะโมหะมีอารติมีปฏิฆ ะ, ะก็ถือว่าทําลายตัวเราเนี่ฆ่าตัวเองว่างัน้นเถอะฆ่าตัวเอง ส่วนวัตถุกรรมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนะรูปเสียงกลิ่นรสโกฏิัพระอันนี้ถือว่าได้ชื่อว่าเป็นบ่วงแห่งมาร น, นะได้ชื่อว่าเป็นบ่วงแห่งมารเพราะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของสัตว์ให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความหายณนะหรือความเสื่อมนั่นเองนะแห่งความเสื่อมนั่นเองนี่เรียกว่าน้ําคืออ่กากรมโหราห่วงน้ําก็คือกรรม มาในข้อที่สองพระโวคะพ่วงน้ําคือพบได้แก่เจตสิกอันเศร้าหมองทําให้อยากเป็นอยู่ในพบอันตนตถาถนาหรือความดิ้นรนแสไปในพบที่ตนเป็นอยู่ไม่อยากออกไปจากพบนั้นๆ น, น, นะข้อนี้ก็ได้แก่ในพบสามนะอยากอยู่ในพบสามกามาพบรูปรพบอรูประพบเงมวอนกันว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นมนุษย์อยู่ในที่สบายนะอยู่ในที่สบาย ก็อยากจะอยู่อย่างนั้นไม่อยากจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นแล้วนะไม่อยากจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นเคยอยู่สบายใช่แล้วอยู่ในห้องแอร์นะมีเครื่องสุขภัณฑ์บํารุงทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสะดวกสบายก็ไม่อยากจะไปอยู่ที่อื่นอยากจะอยู่ในห้องนั้นพอใครมาให้ย้ายที่ไปก็รู้สึกไม่พอใจนะนี่เรียกว่าพวกคะห่วงน้ําคือพบนั่นเองติดนะติดไอันนี่ยถือว่ามันเป็นกิเลสเป็นตัญหานะเป็นกิเลสเป็นตัญหา มในข้อที่สามก็คือทิฏโขคะัวงน้ําคือทิฏฐิอทิฏฐิที่ได้นามว่าโอคะในที่นี้หมายเอามิจฉาทิฏฐิทั่วไปคือมีทิฏฐิสองและทิฏฐิสามเป็นต้นอทิฏฐิสองก็ได้แก่สัสจ ะ, ะ, ะทิฏฐิความเห็นว่าอเที่ยงความเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดอ มาเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นวัวเป็นควายก็ต้องเป็นอย่างนั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเกิดมาเป็นมนุษย์ตายแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพเจ้ดาตายไปแล้วก็เกิดเป็นเทพเจ้ดานี่เห็นว่าดิ่งลงไปเลยเพียงลงไปเลยตรงลงไปเลยแล้วก็ที่สองก็คืออุเฉทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์มีพวกหนึ่งก็เห็นว่าคนเราตายเกิดมาแล้วก็เกิดมาชาติเดียวตายแล้วก็หมดกันไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เนี่ย คนพวกนี้ทุกวันนี้จึงสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่สังคมประเทศชาติสร้างความชั่วมีการโกงกันขอรับช่นกันในทุกสิ่งทุกอย่างอียกว่าหรือใช้ชีวิตของตอนนั้นไปในทางอบายามุกเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนนักเลงสุรานักเลงการประ น, นันถือว่าตายแล้วก็ตนเองไม่ได้รับโทษรับทันไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกฉะนั้นก็จึงได้ทาความชั่วจึงได้ชอกราดบางหลวงกัน อย่างออกหน้าออกตานี่แหละคือพวกอมิจฉาทิฏฐิทั้งสองพวกนี้ส่วนอมิจฉาทิฏฐิในสามอย่างพวกก็คือพวกอคกิญาทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมเห็นว่าการทําดีทําชั่วไม่มีการทําดีไม่มีคนเห็นไม่มีคนยกย่องไม่มีคนชมเชยก็ไม่ชื่อว่าเป็นการทําดีการทําชั่วไม่มีคนอาติกินินทาไม่ถูกจองจํา ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการทำชั่วการที่สองก็คืออาเหตุทุกกาทิฏฐิความเห็นว่าหาเหตุมีได้ให้ความเห็นของพวกนี้ก็คือเห็นว่าคนเราถึงขราวดีดีเองถึงขราวชั่วโจเองถึงขาวเค ร, ราะเคราะหเองนะไม่ต้องไปทำนะไม่ต้องไปทาอันนี้มันก็ผิดกับหลักพุทธศาสนาหลักพุทธศาสนานั้นคนเราจะดีจะชั่วนั้นจะต้องอยู่ที่เหตุนะอยู่ที่เหตุถ้าเหตุ ด, ดีผลก็ดีถ้าเหตุชั่วผลก็ชั่ว นี่ฉะนั้นก็ผิดหลักทางคุศาสนาแล้วก็มิจิมิจฉาทิฏฐิในภูมที่สามก็คือนัติกาทิฏฐิก็คือความเห็นว่าไม่มีอันนี้ปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีบุญไม่มีคุณต่อกันพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต่อโลกครูบาอาจารย์ไม่มีบุญคุณต่อติ์ฉะนั้นการฆ่ากันจึงไม่บาปเพราะว่าถูกแต่อานุปรมัมณูนะถูกแต่อานุปรมัมณูนะไม่บาปแล้วนะเขาจึงยกตัวอย่างว่า ไฟไม่ไฟป่าไม่ป่าไม่เห็นไฟนั้นบาปฝนตกรถต้นไม้ไม่เห็นฝนนั้นได้บุญนี่เขาเยกตัวอย่างอย่างนั้นฉะนั้นในพิธโขคะนีได้แก่พวกวิชาพิธีทั้งทิธีสองหรือทิธิสามยังมีข้อที่สี่ก็คืออวิชโชฆะว่วงน้ำคืออวิชาความโง่เขลาคือความหลงอันไม่รู้จริงในคติเห็นธรรมดามีความสำคัญผิดตรงกันข้ามกับความจริงสองประการ คือสําคัญในสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรมและสําคัญในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมนะเอวิชโชคานี้อ่าเป็นโอคะอันร้ายแรงนะมากอาวิชชานี้เป็นต้นเหตุแห่งการก่อตังหานามารูปเป็นต้นฉะนั้นที่ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอุปาทานสี่และโอคะทั้งสี่มาก็พอสมควรกับเวลา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 สามสัจจิการณะทำให้แจ้งนิโร ธ, ธสัตว์สี่ภาวนาทำมรรคสัตว์ให้เกิดประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษามาทำความเข้าใจกับคำว่ามาทำความเข้าใจกับคำว่าอากิตในยสัตว์เสียก่อนคือกิจในยสัตว์นี้ท่านกล่าวว่า อริยมรรคเมื่อเกิดขึ้นก็ย่อมทำกิดทั้งสีองงส่อย่างนี้ทั้งสี่อย่างนี้ในขณะเดียวกันท่านเปรียบความให้เห็นว่าเหมือนประทีปที่บุคคลจุดย่อมประกอบด้วยกิจสี่อย่างคือส่องแสงสว่างหนึ่งบรรเทาความมืดหนึ่งทำน้ำมันให้หมดสิ้นไปหนึ่งทำไส้ให้ไหม้หมดไปหนึ่งนั้นในขณะเดียวกัน ในขณะเดียวกันนะในขณะเดียวกันคือเหตุการณ์ทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันฉะนั้นในปัญหาข้อแรกก็คือว่าปริญญากําหนดรู้ทุกขส์สตัตว์กําหนดรู้ทุกขส์สัตว์ก็ได้แก่การกําหนดรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์นะสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่ากําหนดรู้ทุกขส์สัตว์ พูดง่ายๆก็คือว่าเรารู้ตามความเป็นจริงนะรู้รู้ทุกตามความเป็นจริงว่าที่เราทำอย่างนี้เป็นทุกนี่ว่าคนดด่มสูรานี่เป็นทุกคนเล่นการพนันนี่เป็นทุกนะคนเล่นการพนันนี่เป็นทุกนะหรือว่าคนอาคบคนชั่วเป็นมิตรก็เป็นทุกนี่ไอ้ทุกอย่างนี้มันยังทุกนอ ก, นอก แต่ว่าทุกนในกษัตริย์ก็คือรู้สภาวะรู้ว่าสังขาร น, นี่เป็นทุกอืะรู้ว่าสังขารนี่เป็นทุกหรือว่าชีวิตเนี่แหละมันเป็นทุกอืะรู้อย่างนี้เราเรียกว่าทุกขสัตต์นะเรียกว่ารู้ว่าทุกขสัตต์สองประหาร น, นะก็คือการประหารตัวประหารก็คือตัวละสมุทัยสัตว์อ่าสมุทัยสัตว์อืะ ไอ้สมุทัยสัตว์ก็คือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองละตัวเหตุให้เกิดทุกข์นะตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่การละตัวตัณหาอันเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์ก่อให้เกิดความเดือดร้อนตัณหาก็ได้แก่ตัณหาสามนั่นเองนะตัณหาสามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาสามสัจจิการณะทําให้แจ้งซึ่งใโรัตสัตว์ได้แก่การทําให้ ถึงซึ่งความดับทุกข์ก็ได้แก่ดับตัวตัณหานะดับตัวตัณหาด้สิ้นเชิงข้อสี่ภาวนาก็คือท ร, รมรัก ษ, ษัตย์ให้เจริญหรือให้เกิดขึ้นได้แก่การดำเนินในหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คือดำเนินในทางแห่งมรรคแปดนะคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบ สัมมากมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติเลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนี่ดำเนินอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราทำมรรคสัตว์ให้เกิดขึ้นอะฉะนั้นเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นก็ย่อรรมทํากิจตีอย่างนี้ในขณะเดียวกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วฉะนั้นก็คิดว่า นักเรียนนักศึกษาก็พอจะจับเป็นแนวทางได้ว่ า, าปริญญาการกําหนดรู้ทุกนัก็คื อ, อรู้ทุกสองอย่างก็คือหนึ่งสภาวะทุกก็ได้แก่การเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกขสองประกินนัะทุกขก็ได้แก่กําหนดรู้ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะอปิเยหิสัมปโยโกทุกโขภิเยหิวิปโยโกทุกโขยำปิดฉังนรปฏิตามปิทุกขังสังคิเตนัปัญจุปาทานัขขันธาทุกขารวบยอดแล้วก็คือทุกในขันธ์ห้านั่นเองปหาณะได้แก่ตัวละสมุทัยสัจก็คือละตัวตัณหาคือเหตุให้เกิดทุกข์คือการมาตัณหาอยากในความภาวะตัณหาอยากในพบอยากมีอยากเป็น หรือวิพภาตัญหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นสามสัจจิกระณะก็คือตัวตัวทําให้แจ้งซึ่งในรอดสัจก็คือตัวดับตัวตัญหาโดยสิ้นเชิงแล้วก็ข้อสี่ภาวนาก็คือทำรรมกษัตริย์ให้เกิดนั่นเองเธอจะตั้งเป็นปัญหาถามว่ากิจในอริยสัจมีเท่าไรอะไรบ้างกล่าวเพียงสมุทัยมีเท่าไรเป็นกิจกิจนั้นอย่างน้อยเรียกว่าอะไรบ้างและมีมาก และอย่างมากเรียกว่าอย่างไรบ้างอันนี้เราก็ตอบเลยว่ากิจใยสัตว์มีสี่คือหนึ่งปริญญากำหนดรู้ทุกสองประหานะนละสมุทยัยสัตวสมสัตว์ชีกรณะทำให้แจ้งซึ่งนีโรคสี่ภาวนาทำมรรคสัตย์ให้เกิดแลวก็กล่าวเพียงสมุทัยมีอะไรเป็นกิจกิจนั้นอย่างน้อยเรียกว่าอะไรเราก็บอกว่าสมุทัยมีประหานะเป็นกิจ กิจนั้นอย่างน้อยก็เรียกว่ากิจในยาศาสี่สี่อย่างออย่างมากเรียกว่าโสแสกิจอก็คือสิบหกอย่างหรือถ้ายังมีปัญหาถามว่ากิจในยาศาสจะเกิดขึ้นได้เพราะมีอะไรเป็นบทัศฐานฉะนั้นจึงตอบอย่างนั้นอันนี้เราก็บอกว่ามีอริยมรรคเป็นเป็นสมุปฐานการตอบอย่างนั้นเพราะว่า เมื่ออริยมรรคอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วย่อมกำจัดกิเลสอันเป็นเหตุปิดบังญาณวิถีมิให้รู้กิจในยสัตต์สี่อย่างนี้เสียตามกำลังแห่งมรรคนั้ น, น, นหรือถ้อยะถามว่าจงแสดงกิจในยสัตอริยสัตต์สี่ท่านว่าเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นย่อมทำกิจสี่อย่างในขณะเดียวกันคำนั้นมีประมาอย่างไรเราก็แก้ ว, ว่ากิจในยสัตต์สี่ก็คือปริญญา กำหนดรู้ทุกขตัตว์ปหานะละสมุทยัยสัตว์สติกรณะทำให้แจ้งซึ่งิโรธตสัตว์ภาวนาทำมรรคสัตว์ให้เกิดมีประมาด้วยประทีปน้ำมันอันบุคคลจุดขึ้นย่อมสำเร็จกิจสี่ในขณะเดียวกันคือหนึ่งทำไส้ให้ไมมเกรียมสองกำจัดความมืดเสียได้สามส่งแสงสว่างกระจายออกไปสี่น้ามัน ไม่หมดไป อ, อ่ทำน้ำมันให้หมดไปเป็นอันว่าอริยมรรคเมื่อเกิดขึ้นก็ย่อมกําจัดกิเลสให้สิ้นไปเหมือนไฟดับไม่มีเชื้อชั้นนั้นนี่เป็นเรื่องของกิจในยัสสสี่อย่างเมื่อพูดถึงกิจในยัสสสี่อริยสัตว์สี่แล้วก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องยานสี่ต่อไปในยานสี่ก็คือหนึ่ง ปฐมฌานนะปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งสองทุติยฌานฌานที่สองสามตติยฌานคือฌานที่สามสี่จตุฌานคือฌานที่สี่ในฌานสี่อย่างนี้นักเรียนนักศึกษาควรทำความเข้าใจกับคำว่าฌานเสียก่อนคำว่าฌานนี้ได้แก่การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ ชานนั้นท่านจัดเป็นสี่ชั้นเรียกชื่อตามปุรณะสังขยาประนีตขึ้นไปกว่ากันโดยลำดับนะโดยลาดับเป็นชั้นๆไปคือหนึ่งปฐมฌานชาญที่หนึ่งชาญที่หนึ่งมีองค์ห้านะมีองค์ห้าคือยังมีตรึกซึ่งเรียกว่าวิตกนะยังวิตกแล้วก็ยังมีตรองซึ่งเรียกว่าวิจาร์ เหมือนอารมณ์ของคนสามัญแต่ไม่ประกอบด้วยกิเลสกรรมและอกุศลลธรรมซ้ำมีปิติคือความอิ่มใจและสุขคือความสบายใจเกิดแต่วิเวกคือความเงียบกับประกอบด้วยจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งลงไปซึ่งเรียกว่าเอกัคคตานะซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาหรือว่าเอกกัคคารมมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวนั่นเอง สองทุติยฌานได้แก่ฌานที่สองฌานที่สองนี้ก็มีองค์สามนะมีองค์สามคือละวิตกนะละวิตกนะละวิตกกับวิจารนะละวิตกกับวิจารเสียได้คงอยู่แต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิกับเอกัคตานะ สามจตยาชาคือชานที่สามชาญข้อนี้มีองค์สองคือละปิติเสียได้คงอยู่แต่สุกับเอกกักคตา<ม>สี่จตุเจชาคือชานิที่สี่ข้อนี้มีองค์สองเหมือนกันคือละสุกเสียได้กลายเป็นอุเบขาคือเฉยเฉยนะเฉยเฉยกับเอกกัคคตาคือความมีอารมณ์เป็นอันเดียวชาญทั้งสี่ ฌานทั้งสี่ข้อนี้เป็นรูปฌปานเป็นรูปสมาบัติมีรูปธปรรมเป็นอารมณ์สงเคราะห์เข้าในรู ป, ปาวจระภูมิพระโยคาวาจรผู้บำเพ็ญเพียรในฌานไม่เสื่อมทำลายขันจากอัตภาพนี้แล้วย่อมไปเกิดในรูปปาวจระภูมิองค์แห่งฌานนั้นๆเพื่อจาง่ายๆก็คือดังนี้ปฐมฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติ สุกเอกคตาทุติยชาญมีองค์สามก็คือปิติสุขเอกคตาตาติยชาญมีองค์สองก็คือสุขกับเอกคตาเจตุติชาญมีองค์สองก็คืออุเบกขากับเอกกัคตาอุเบกขากับเอกคตานี่เป็นเรื่องของอาชาญเพียงย่อๆทีนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าการเพ่งอารมณ์อาเพียงไหนจัดเป็นชาญอาชาญสี่ าชาญสีจัดเป็นอะไรสงเคราะห์เข้าในภูมิไหนอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าการเพ่งอารมณ์จนเป็นอั ป, ปนาสมาธิจัดเป็นชาญจัดเป็นรู ป, ปรชาญรูปสมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์นะมีรูปเป็นอารมณ์สงเคราะห์เข้าในรู ป, ปาวจระภูมิ หรือถ้าจะถามว่าได้ยินว่าพระโยคาวจรผู้บำเพ็ญกรรมฐานจนบรรลุปฐมฌานย่อมละนิวรณ์ห้ามีก ร, รมฐานทาเป็นต้นได้เข้าใจว่าเป็นอุปธิวิเวกถูกหรือไม่เพราะเหตุใดเราตอบได้เลยว่าไม่ถูกเพราะว่าปฐมฌานสําเร็จด้วยกรรมฐานเพียงชั้นสมถะถึงละปัญจนิวรณ์ห้าได้ก็เป็นเพียงชั่วคราวท่านกล่าวว่าเป็นวิขัมพนะปะหาน อ่ะคือหมายถึงว่าละด้วยการข่มไว้การละด้วยการสะกดไว้การมาฉันทะเป็นต้นที่พ้นไปแล้วยังอาจกลับเกิดขึ้นได้ในเมื่อชานเสื่อมและมีอารมณ์มายั่วถ้าเข้าใจว่ามีจิตวิเวกนะซึ่งอาศัยกายวิเวกเป็นต้นอา่าเป็นพื้นจึงจะถูกอจึงจะถูกพูดง่ายๆก็คือว่า เราได้ปฐมฌานนี่นะเราได้ปฐมฌานนี่ยังยังไม่ใช่ยังไม่ถือว่าจิตพ้นจากกิเลสนะคือเพียงแต่การสะกดไว้คมไว้มันยังเสื่อมได้นะยังเสื่อมได้ถ้าหากว่ามีอารมณ์มายุยยวนก็จะกลับกลายให้ฌานนั้นหายไปได้นะถ้าเข้าใจว่าเป็นจิตวิเวกซึ่งอาศัยกายวิเวกเป็นพื้นจึงจะถูกนะจึงจะถูก ข้อสามรูปฌานสี่จัดเป็นกรรมอะไรนะและเพื่อประโยชน์อย่างไรหรือจึงจําแนกหลายประเภทเช่นนั้นอันนี้จัดเป็นคารุกรรมและที่ท่านจําแนกไว้หลายประเภทเช่นนั้นเพื่อประโยชน์จะห้ามความสั บ, ปบเปลี่งกรรมเพราะบุคคลทํากรรมอะไรไว้ไม่คํานึงให้รอบคอบด้วยสติไม่มีสติคือขาดสติ อาจจะแล่นไปสู่อัคริยาิทิฏฐิได้คือความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมเมื่อเข้าใจกรรมไม่บากอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะได้มั่นมั่นอยู่ในกรรมมัจตุาศัทธ า, าคือเชื่อว่ า, าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนประพฤติในธรรมนองคลองธรรมคือในทางที่ถูกที่ควรก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนี่พูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของฌานแล้วก็พร้อมกับตั้งเป็นปัญหาก็คิดว่า นักเรียนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอจะเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยก็อยากจะพูดในลําดับที่สามต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของทักษิณาวิสุทธิสี่ก็คือหนึ่งทักษิณาบางอย่างบริสุทธ์ฝ่ายทายกมิใช่ฝ่ายปฏิคขาหกสองทักษิณาบางอย่างบริสุทธ์ฝ่ายปฏิคขาหกมิใช่ฝ่ายทายก สามทักษีนาบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคขาหกสี่ทักษีาบางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายาท า, ายกและทั้งฝ่า ย, า ย, ายปฏิคขาหกอันนี้ผู้ฟังอาจจะงงนะอาจจะงงอะไรทายกอะไรปฏิคขาหกนะยกยกหกหก็หกหกเลยงงไปหมดเลย เ, เดียยเด๋ยวยกเดี๋ยวหกไม่รู้ว่าใครยกใครหกกันแน่นะ อ่าประการแรกก็ขอให้นักเรียนนักศึกษามาทําความเข้าใจกับคําว่าทักษีนาเสียก่อนคําว่าทักษีนาก็ได้แก่การทําบุญหรือว่าของที่ทําบุญถือเอาความในที่นี้ก็คือว่าของที่ทําบุญอันบริสุทธิ์สะอาดนี่ะเรียกว่าทักษีนาอืาท่านําแนกออกเป็นสี่อืาซึ่งบางทีเราก็บอกว่ามีทําบุญทักษีนาทานเนี่ยทักษีนาทาน อก็คือให้ทานอย่างสะอาดอย่างบริสุทธิ์ว่ังนั้นจะนี่เรามักจะพูดกันฉะนั้นในข้อหนึ่งที่บอกว่าทักษิณาบางอย่างนาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่ใช่ฝ่ายปฏิคาหกข้อนี้หมายความว่าทายกก็คือผู้ให้นะทายกก็คือผู้ให้ทานมีศีลตามภูมิที่ตนรักษาอยู่เช่น ศีลห้านะและมีกา ร, รยานธรรมคือธรรมที่ทำเป็นเครื่องอุดหนุนให้ศีลห้าให้มั่นเช่นเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วก็จะต้องเจริญเมตตานะจเจริญเมตตาไม่เว้นจากการรักทรัพย์แล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยสัมมาชีพเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมแล้วก็มีความสำรวม ในกามหรือเราการมสังวรหรือว่าสถาระสันโด r d สำรวมกินดีในภรรยาของตนเว้นจากการพูดกหกแล้วก็มีคู้จัดจะคือความจริงใจเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยแล้วก็มาเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริสุทธิ์บริบูรณ์ฉะนั้นอาศีลข้อนั้นจึงจึงจะมั่นคง อทำที่เป็นคู่กับศีนนั่นแหละได้ชื่อว่ากา ร, รยานธรรมบริจาคทักศนาใดแก่ปฏิคาหก <c oughs> คือหมายถึงผู้รับ่าผู้ทุศีลมีบาปรมทัศนานั้นจัดว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับมาในข้อสอง ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคขาหกคือผู้รับมิใช่อาฝ่ายทายกคือผู้ให้หมายความวา่าผู้ให้ทานเป็นผู้ทุศีล น, นะทายกคือผู้ให้ทานผู้ทุศีลมีบาป ร, รมบริจาคทักษินาทานใดแกปฏิคขาหกคือผู้รับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักษีนานั้นจัดว่าบริสุทธิ์ แต่ปฏิคขาหกคือผู้รับคือผู้รับข้างเดียวฝ่ายทายกนั้นไม่บริสุทธิ์สามทักษิณาทานอย่างบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้และทั้งฝ่ายผู้รับคือทั้งฝ่ายทายกและปฏิคขาหกข้อนี้หมายความว่าผู้ให้ก็เป็นผู้ทุศีนมีบาปทำผู้รับก็เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมตกลงว่าทั้งสองฝ่าย ล้วนแต่ไม่มีศีลมีธรรมด้วยกันทั้งนั้นทักษินาทานนั้นนั้บริจากแก่ปฏิคาหกนั้นย่อมไม่บริสุทธิ์เลยตีทักษินาบางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับก็คือบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกคือข้อนี้หมายความว่าทายกเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีกัลยาณธรรมผู้รับก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมมีกัลยาณธรรมทักษิณ า, าทานอัน ที่บริจาคทั้งที่ทายกบริจาคแก่ปฏิคาหกนั้นย่อมบริสุทธิ์ภัยบุ์ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่ก็คงจะอ่าสร้างความงนงงนกนเกี่ยวกับเรื่องอชื่อของศัพท์บ้างเกี่ยวกับเรื่องทายกบ้างเกี่ยวกับเรื่องปฏิคาหกบ้างคําว่าทายกนี่ถ้าว่าเป็นนักเรียนบาลีก็ไม่ยากนะทายกะเนี่นะทายกโกเนี่ยแปลว่าผู้ให้คือหมายความว่าผู้ให้ทานนะ คำ ว, ว่าปฏิค้าหกหรือปฏิค้ากะเนี่ยปฏิคาา้าฮะโกเนี่ยแล้วว่าผู้รับก็หมายความว่าผู้รับทานนะทายกก็เหมือนก็หมายถึงญาติโยมผู้ให้เราอ่าภิกษุสามนเณรเป็นผู้รับอย่างนี้เนี่ยเดียกว่าปฏิค้าหกนะเดียวกัปฏิค้าหกฉะนั้นอันนี้ก็คงจะสร้างความงุนงงให้พอควรทีนี้ถ้าจะถามเป็นปัญหานิดนิดหน่อยหน่อยว่าท า, ายก ผู้ใครจะให้ทานจะทำอย่างไรจึงจะมีผลมากอจงแสดงอันนี้เราก็ตอบเลยว่าในเบื้องต้นต้องชำระตนให้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมปราศจากความตนหีเหนียวแน่นสละได้ในขณะศรัทธาจิตเกิดขึ้นดวงแรกแล้วต้องบริจาคในท่านผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมจึงจะมีผลมาก หรือถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าทักษินาหมายถึงอะไรทักษีนานั้นจะบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์มีอะไรเป็นเครื่องหมายคำว่าทักษิณาก็หมายถึงของทาบุญทั่วๆไปทักษินาที่จะบริสุทธิ์ในฝ่ายทายกหรือในฝ่ายปฏิคาหกหรือทั้งสองฝ่ายต้องมีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นเครื่องหมายให้รู้ได้ว่าบริสุทธิ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ในฝ่ายทายกหรือในฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับทั้งสองทั้งสองฝ่ายมีทุศีนทุศีนด้วยกันเรียกว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าไม่บริสุทธิ์ในฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายนี่ก็เป็นเรื่องของทักษิณาวิสุทธิ์ทั้งสี่ทักษิณาวิสุทธิ์ทั้งสี่ ทีนี้ก็จะพูดถึงธรรมสมาทานสี่ต่อไปธรรมสมาทานบางอย่างให้ทุกในปัจจุบันแล้วก็มีทุกขเป็นวิบากต่อไปสองอธรรมสมาทานบางอย่างให้ทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปสามธรรมสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบัน แต่มีทุกขเป็นวิบากต่อไปทีรรมสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปอประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับคำว่ารรมสมาทาน คำว่าธรรมมสมาทานก็ได้แก่การทำกรรมหมายเอาทั้งกรรมดีกรรมชั่วจำแนกเป็นสี่คือหนึ่งได้แก่ทากรรมที่เป็นกุศลโดยไม่มีใจสมัครหรือฝู่นใจทำทมโดยความจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด บ, งบังคับเมื่อทากรรมเช่นนี้ก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนใจเป็นผล เช่นบุคคลจะประพฤติอกุศลและกรรมบทโดยฝืนใจประพฤติแต่ผลที่ได้รับคือความทุกโทมนัดคือความเสียใจนคือความเสียใจในข้อสองได้แก่การทํากรรมที่เป็นกุศลโดยความสมัครใจได้รับความทุกยากลําบากในขณะที่ทําอยู่นั้นแต่ต่อไปก็ได้รับผลอันพึงพอใจ เช่นบุคคลประพฤติกุศลและกรรมบทด้วยความบากบัน่นพยายามจนเป็นผลสำเร็จได้รับทุกในตอนต้นครั้นแล้วก็ได้รับผลคือความสุขโสมนัสในภายหลังเป็นเครื่องตอบแทนข้อที่สามได้แก่การทำกรรมที่เป็นอกุศลโดยความสมัครใจได้รับความสะดวกและความพอใจในตอนต้น แต่ครั้นแล้วผลของการทําอกุศลกรรมนั้นก็อํานวยให้จึงได้รับทุกโธมนัทเช่นบุคคลประพฤติอกุศลกรรมบทโดยความพอใจในชั้นต้นจึงได้แม้ได้รับเสวยสุขโสมนัทครั้นแล้วก็ได้รับความทุกโธมนัทเป็นผลในภายหลังข้อที่สีได้แก่การทํากรรม ที่เป็นกุศลด้วยความออกด้วยความพอใจเมื่อเป็นเช่นนี้ผลที่ได้ก็คือความสุขสําราญเช่นบุคคลประพฤติกุศลกรรมบทด้วยความพอใจย่อมได้เสวยสุขโสมานัทเป็นผลตอบแทนเนีเป็นผลตอบแทน น, น, แท น, นี่เป็นเรื่องของของธรรมมสมาทานก็จะขอสรุปสั้นๆอีกนิดหน่อย ขอสรุปสั้นๆอีกนิดหน่อยที่บอกว่าในข้อหนึ่งได้แก่การทำกรรมที่เป็นกุศลโดยไม่มีมีใจสมัครหรือว่าฝืนใจทำทำโดยความจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดบังคับเมื่อทำกรรมเช่นนี้ก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนใจเป็นผลเช่นบุคคลประพฤติอาวุโสลกรรมบทโดยฝืนใจประพฤติแต่ผลที่ได้รับคือความทุกข์ทรมานเสียใจ อันนี้พูดง่ายๆก็คือว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจําวันของเราคือเราทําสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าไม่มีใจสมัครฝืนใจทําำฝืนใจท ำ, นะจทำไอการที่เราฝืนใจทํำนะี่มันก็เกิดทําให้เราเป็นทุกขนะ์เป็นทุกขนะ์เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าเราทําโดยความจําเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเหมือนกับว่า อ่าเร า, ารรนะประพฤติอกุ u s o l a k a r บทนะประพฤติอา k u s o ร a k บทก็คือความชั่วนะความเดือดร้อนโดยฝืนใจประพฤตินะโดยฝืนใจกระทำแม้ว่าเราจะไม่เต็มใจเราฝืนใจไอ้ผลที่ออกมามันก็คือทุกข์โทษเกิดความเดือดร้อนนะเกิดความเสียใจนี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วในข้อที่สองก็เหมือนกัน ได้แก่ทํากรรมทํากุศ ล, ลกรรมทํากรรมที่เป็นกุศลโดยความสมัครใจได้รับความทุกข์ความลําบากในขณะที่ทําแต่เมื่อทําไปแล้วก็เกิดความสบายใจก็หมายความว่าการกระทําอะไรของเราก็แล้วแต่ในบางอย่างนั้นมันมีทุกข์มีโทษมากมีความเดือดร้อนมากมีความเดือดร้อนมากถึงแม้ว่าเราจะไม่เต็มใจทําถึงแม้ว่าเราจะไม่สมัครใจทํา อืแต่ว่าเมื่อทําไปแล้วผลที่ออกมาก็คือว่าได้รับความสุขกายสบายใจได้รับความสุขกายสบายใจเป็นเครื่องตอบแทนในภายหลังมาในข้อที่สามการทํากรรมที่เป็นอกุศลโดยความสมัครใจได้รับความสะดวกความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างก็พูดง่ายๆว่าเราทําความชั่วมันรู้สึกว่ามันมันสุขใจดีใจเช่นว่าไปจี้ปล้นฆ่าเขาอย่างเนี้ย ไปกี้ไปต่อนไปฆ่ารู้สึกว่าเราได้เงินมามากนะอาจจะได้รถมาได้เพชรได้ทองได้ยยองมาเครื่องใช้ไม้สอยแม่รู้สึกว่ามันพั่งท้อมสมบูรณ์ไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความสุขใจแต่ครั้นแล้วผลที่เราผลที่เราก็ะทำวังนั้นมันก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนตามมานะเราต้องหนีกลัวเจ้าหน้าที่กลัวตํำรวจเขาจะตามจะจับจะฆ่า ต้องคอยหลบคอยซ่อนนีม่มันก็เกิดความทุกข์ใจเป็นผลในภายหลังมาในข้อที่สี่ได้แก่การทำกรรมที่เป็นกุศลด้วยความพออกพอใจเมื่อเป็นเช่นนี้ผลที่ได้รับ ก, ก็คือความสุขใจนะความสุขใจก็คือว่าคนที่ทำแต่ความดีความความดีนะ มีทําความดีทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความพอใจผลที่เราได้รับก็คือความสุขใจความสบายใจความเจริญนี่อันนี้มันเป็นหลักความจริงนะท่านจะตั้ง เ, เป็นปัญหาถามบอกว่ารำมัสมาตทานทั้งสี่อย่างนั้นอย่างไหนจัดเป็นดีที่สุดผู้ศึกษาปริยัติธรรมได้ชื่อว่ า, ม, า, ารรมัสมาตทานธรรมมสมาตทานข้อไหนในสี่ข้อนั้นอันนี้เราก็แก่ว่า อ, อ, อย่าง อย่างที่สี่จัดเป็นดีที่สุดความว่าธรรมมาสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปผู้ศึกษาปริยัติธรรมชื่อว่าธรรมสมาทานข้อที่สองความว่าธรรมมาสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปอหรือถ้าจะถามว่าบุคคลผู้ยากจนขัดสนทรัพย์แต่เป็นผู้มีศรัทธากล้าในการกระทำบุญกุศล ขวนขวายทาจนสำเร็จจะเรียกว่าเขาได้บาเพ็ญธรรมสมาทานข้อไหนได้หรือไม่อันนี้เราก็แก้ว่าได้ชื่อว่าเขาบาเพ็ญธรรมสมาทานในข้อสองที่ว่าให้ทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปหรือถ้าจะถามว่าคนเกิดมาย่อมต้องการสุขไม่ต้องการทุกขมีทุกก่อนก็เพราะเห็นแก่สุขข้างหน้าจึงลงทุนทุก เพื่อจึงลงทุนทุกขเพื่อสุขอาที่อยู่สุขอ่าจึงลงทุนทุกขเพื่อสุขที่มีทุกขข้างหน้าแต่เฉพาะหน้าเป็นสุขจึงถือว่าเอาสุขเสียก่อนส่วนทุกขข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ย่อมก็ย่อมนับและผ่อนปลนไปตามการส่วนธรรมมสมาทานข้อต้นว่าให้ทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นวิบากต่อไปดังนี้